ขอความจเจริญในธรรมชุ ม, มีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่รุ่นปปุตติยานกำลังนำเสนอเรื่องปัจจเวทขณะสมาธิคือปัญญาเน้นชอบซึ่งเกิดขึ้นจากการพิจารณาเฉพาะกรณีกรณีไปจะเกิดความรู้ความเข้าใจในสภาวะที่แท้จริงของสิ่งเหล่านั้น จะสามารถมีปัญญารู้เท่าทันและได้รับประโยชน์จากความรู้จริงเห็นจริงในสิงนั้นๆเรื่องทั้งหมดที่กล่าวมาโดยลําดับนั้นก็มีห้าเรื่องถึงว่ากันตามความจริงแล้วเราจะเห็นว่าเป็นเรื่องของทุกขสัจเรื่องมรรคสัจ ก, ก็เรื่องสมุทัยสัจแต่ว่าเมื่อได้ผ่านการพิจารณาแล้ว เกิดปัญญารู้เห็นตามความเป็นจริงก็จะได้สัมผัสผลระดับนิโรดอริยสัตร์ระดับต่างๆคือมากบ้างน้อยบ้างในเรื่องของความแก่เรื่องความเจ็บเรื่องความตายเรื่องการพลัดพรากนั้นเป็นสภาวะของทุกขสัต์คือเป็นธรรมชาติธรรมดา ที่จริงเหล่านั้นล้วนเกิดมาจากเหตุปัจจัยดำรงอยู่ด้วยเหตุปัจจัยแล้วก็เสื่อมสลายไปตามเหตุปัจจัยถ้าใจเราไม่ไปเกี่ยวเกาะด้วยอำนาจของตัณหาและอุปาทานมากนะก็สามารถทำใจได้ตามทุกควรแก่กรณี อย่างในกรณีที่ความตายความแก่ความเจ็บความตายความพลาดเกิดขึ้นแก่บุคคลอื่นที่เราไม่ค่อยรักค่อยจังอะไรเราสามารถจะชี้แจงอธิบายเหตุผลให้บุคคลเหล่านั้นบรรเทาความโศกจากการพลาดเป็นต้นเหล่านั้นได้จะเกิดมีปัญหาในเมื่อเราไปมีความรู้สึกรักหรือรู้สึกชังต่อคนเหล่านั้น บุคคลที่เรารู้สึกรักเกิดเจ็บเกิดตายเกิดพลาดพลาดเราจะโศกบุคคลที่เราสุขรู้สึกชังเกิดแก่เกิดตายเกิดพลาดพลาดเราก็รู้สึกดีใจหรือสะใจอันเป็นการเกิดของความทุกข์ก็เกิดกิเลสก็ะสุดว่าจิตมันก็เหวี่ยงเข้าสู่กลุ่มของสมุทัยก็ถูกต่อไป ในกรนีของกรรมเป็นการนำเสนอในรูปไหคิดเอาตัวกรรมนั้นเป็นผลมาจากกิเลส ก, ก็ได้เป็นผลมาจากกุศลก็ได้หมายความว่าเป็นกรรมนั้นจะเป็นเหตุของสมุทัยก็ได้เกิดจากสมุทัยก็ได้เกิดจากมรรคก็ได้แต่ที่เกิดจากสมุทัยก็มีทุกข์เป็นผล เกิดมาจากมัจก็จะมีความสุขเป็นผลเียแต่ว่าเรายังไม่ได้ทํากรรมทั้งดีและไม่ดีก็เป็นการสอนให้ใช้ปัญญาพิจารณาเลือกคิดพินิ้พิจารณาแล้วเลือกประพฤติเลือกกระทถ้ากากว่าบ่อยๆคิดบ่อยๆพิจารณาอยู่บ่อยๆเราก็จะเห็นความเปลี่ยนแปลงทางจิต ที่ชัดเจนอย่างน้อยก็สี่ห้าเรื่องเรื่องหนึ่งคือเป็นเหตุบรรเทาความเมาในความเป็นหนุ่มเป็นสาวหรือความเยาไว์วัยได้บางทีคนแก่ที่ไม่ยองแก่ที่แสดงเห็นว่ายังมีความมวเมงในวัยจงทางที่วัยก็ใกล้ความตายเข้าไป ชีวิตเป็นการเดินทางที่เหมือนกับการขับเคลื่อนของรถยานพาหนะทั้งหลายทุกครั้งที่ล้อหมุนมันก็ใกล้หนทางจุดหมายปลายทางเข้าไปทุกณะนาดในขณะเดียวกันระหว่างทางก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุอะไรขึ้นมาก็ได้แต่ความตายที่เกิดขึ้นในชีวิตออกมาในสองแนวดังกล่าว คือตายในการที่ปวดตายแล้วก็ในการที่ยังไม่ปวดตายแต่เมื่อได้คิดและพิจาณาและนึกบ่อยๆก็จะบรรเทาการประมาทบวมเมาในวัยในชีวิตก็เราลงไปได้การพิจารณาเรื่องความเจ็บซึ่งว่ากันตามความจริงแล้วความเจ็บเนี่ยมันก็เป็นอาการปกติอย่างนี้น ที่ท่านแสดงเหตุว่าเรามีทุกที่ติดตัวมาทุกเพราะหนาวเพราะร้อนเพราะหิวเพราะกระหายเพราะปวดอุจาร ะ, ระปวดปัสสาวะเล้วดหงนอนแกเจ็บตายมันก็เสียดแทงเราตลอดแต่เราก็บรรเทาแกตามปกติวิสัยได้ดีบ้างไม่ได้ดีบ้างแต่ก็ไม่เคยหายไปอย่างแท้จริง เราทำได้ก็เพียงแค่บันเทาไปเท่านั้นแต่เมื่อเราทำใจยอมรับความจริงว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้ความเจ็บไข้ไปได้มันก็จะทาให้ไม่โมเมาในความไม่มีโรคไปคิดว่าตนมีความแข็งแรงมีสุขภาพดี บางครั้งมีเขามีลางที่จะบ่งบอกว่าน่าจะผิดปกติขึ้นในร่างกายตัวไม่ยอมให้หมอเข้าไปสวดโรคตัหนักก็จริงๆก็ถูกหามไปโรงพยาบาลบางครั้งก็ยากต่อการแก้ไขแต่เราถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาก็คือธรรมดาแต่ก็วันเท่าความเมาในเรื่องเหล่านี้ความประมาทในเรื่องเหล่านี้ เรื่องความตายนั้นก็เป็นการบรรเทาความประมาทในชีวิตทีนี้ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่โดยเฉพาะคนไทยนั้นประมาทในเรื่องเหล่านี้มากถ้าเราไปอ่านตัวเลขที่เกี่ยวกับอุบัติเหตุคือคนที่ตายด้ยอุบัติเหตุแล้วจะเป็นเรื่องที่น่ากลัวเพราะมันตายกันมากจริงแล้วก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดาย คนอยู่ในวัยที่กําลังทํางานสร้างฝันประโยชน์แก่ชาติบ้านเมืองอยู่เป็นนั้นมากแต่ประมาทไปชั่ววูบชั่วครู่ชั่วขนาดก็ถึงกับตายลงไปตอนแต่เราคิดถึงความตายบ่อยๆนึกถึงความตายบ่อยๆก็เป็นเหตุให้ประมาทลดความประมาทในชีวิตลงไปก็คนที่ประมาทนั้นยังไงยังไงมันก็เหมือนกับตายแล้ว อย่างพระพุทธมรักที่สัจสอนเน้นย้ำเรื่องความประมาทและความไม่ประมาทไว้วางความไม่ประมาทเป็นทางไม่ตายความประมาทเป็นทางแห่งความตายคนที่ประมาทแม้มีชีวิตอยู่ก็เหมือนกับตายแล้วคนที่ไม่ประมาทแม้จะตายแล้วก็เหมือนกับยังมีชีวิตอยู่นั่เป็นการบ่งบอกถึงสัจธรรมคือความจริง ที่ทุกชีวิตจะต้องประสบถึงความจริงในจุดนี้ในข้อต่อไปก็คือการพลรากสูญเสียซึ่งเราถือคล้ายๆกับเป็นเรื่องเป็นเรื่องตายเช่นบางทีนี่สามีพญญาตายในร้องหมร้องไห้เสียใจยิ่งกว่าพ่อแม่ตายเลย แต่ถ้ารถเทียบเคียงระหว่างสามีกับปัญญากับพ่อแม่เนี่ยมันมันแตกต่างกันสามีปัญญาเป็นคนที่เพิ่งเจอกันระหว่างทางแต่พ่อแม่เนี่ยเราก็เป็นส่วนย่อยของทั้งส่องหนึ่งเป็นของพ่อเครื่องหนึ่งเป็นของแม่แต่นับทางดีเอ็นเอกันแต่ความจริงแล้วเราก็เศร้าโศกเสียใจ กับคนที่พบกันระหว่างทางแล้วระจากกันระหว่างทางในขณะที่คนทึ่งมาด้วยกันแต่ว่าต้องแยกกันนั่นแหละเรากลับเสียเศร้าโศกเสียใจน้อยกว่าในกรณี น, นี้นอกจากแสดงถึงนนานาจของราคาตันหานแล้วยังแสดงให้เห็นถึงอุปาทานที่ไปยึดติด แล้วหลงมากกว่าเดิมนะฮะถือว่าของเราถ้าเราจะถือว่าพ่อแม่ของเราก็ถือว่าสามีของเราเนะี่ยถือพ่อแม่ของเราถูกกว่าเยอะถือสามีปัญญาของเรานั้นที่จริงแล้วก็มีความจริงน้อยมากเพราะว่าเป็นคนอื่นซึ่งก็อาจจะแยกไปวันไหนก็ได้แต่พ่อแม่ลูกเป็นพ่อแม่ลูกกันตลอดชีวิตจยากกันจริงๆก็ตอนตายาเท่านั้นเอง วันที่เราคิดถึงความประพรากไว้บ่อยๆนึกถึงไว้บ่อย ๆ, ๆมันก็จะเกิดการบันเทาความผูกพันความติดพันยันอยู่ก็ใช้ประโยชน์จากการอยู่ร่วมยันจากก็ใช้ประโยชน์จากการจากพราอยันที่ทรงแสดงหน้าที่ของพ่อแม่ลูกเอาไ ว, ว้เราอาศัยพ่อแม่เกิดพ่อแม่อยู่ พ่อแม่สร้างสรรค์พัฒนาชีวิตของตนเพรา ะ, ะ น, นเมื่อเรายามที่เราอยู่ร่วมกับท่านก็ปฏิบัติหน้าที่โดยการที่ท่านเลี้ยงมาแล้วก็เลี้ยงท่านตอบช่วยทากิจการงานของท่านดำรงงสกุลประพึตงตนให้เหมาะสมแก่การเป็นญายาิของสกุลและเมื่อท่านตายก็ทำบุญในทิศกุศลส่งไปให้ มันก็เป็นความผูกพันแต่ว่าผูกพันในเชิสงสร้างสรรค์เพื่อใส่ความผูกพันนั้นสร้างประโยชน์ไม่ใช่สร้างทุกข์เพราะถ้าเรามองแนวธรรมะที่เป็นหน้าที่ที่ทรงสอนเอาไว้ที่จริงเป็นเรื่องข้อความผูกพันผูกพันระหว่างพี่น้องระหว่างสามีภรรยาระหว่างพ่อแม่ลูกครูบาอาจารย์กับสิ่์เพื่อนกับเพื่อนนายกับลูกน้องสมณะพราหมณ์กับ ชาวบ้านทั้งหลายมันมีความผูกพันแต่ไม่ยึดติดในรูปของตันหาอุปท า, านแต่เป็นรูปของธรรมชันทะคือความพอใจที่ยึดโยงอยู่ด้วยธรรมะเป็นในให้แต่และคนกระตือรือร้นที่จะปฏิวัติภารกิจของตนในกรณีที่เกี่ยวข้องกับบุคคลอื่นในเชิงสร้างสารรค์พัฒนา พราะในหลักศาสนาเนี่ยไม่ได้สันเสริญไม่ได้ตาหนิการผูกพันทั้งหมดแล้วก็ไม่ได้สันเสริญการผูกพันทั้งหมดเพราะแนวสามัคคีที่จริงก็เป็นแนวผูกพันแนวสร้างให้เกิดความรักความเคารพการนับถือการการสงเคราะห์การการไม่ทะเลาะกันการเกิดสามัคคีและการเกิดเอกภาพ แต่ว่าเมื่อเราปฏิบัติไปแล้วเนี่ยมันเป็นมรรคมรรคก็นำไปสู่ความสุขซึ่งเป็ความผูกพันในเชิงที่เป็นตันหาุปาทานเป็นความผูกพันที่ยึดมั่นถือมั่นแล้วก็มุ่งผลที่ตนเองจะได้รับพอไม่ได้รับก็เกิดโทสะพอคลอดพลากจากไปก็เกิดโศกะคือความสุข ทีนี้ในกรณีของกรรมนั้นเราจะเห็นว่าเมื่อแยกแยะเรื่องกรรมออกไปชัดเจนและจัดเจนในความเป็นบาปเป็นบุญเป็นคุณเป็นโทษเป็นประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์ผู้ยอ่อผู้รู้ยกย่องหรือสรรเสริญหรือตำหนิแล้วก็เป็นเหตุให้เราเองก็ติเตียนตัวเราเองไม่ได้ผู้รู้ใคยควรแล้วก็ยกกล้องทันที แล้วก็มีความชัดเจนนะฮะระหว่างบาปกะระหว่างบาปกับบุญและระหว่างสุดจริตกับทุจริตคนก็จะได้หลักคิดหลักยึดในการปฏิบัติตนในการบรรเทาทุจริตประพฤติสุดจริตเพราะสุจริตนั้นมีความสุขเป็นผลทุจริตมีความทุกข์เป็นผลบางครั้งบางคราพระพุทธเจ้าทรงแสดง เป็นบทสรุปว่าพึงประพฤติธรรมให้เป็นสุดจริตยาประพฤติธรรมให้เป็นทุจริตคือหมายความมาประพฤติให้ดีประพฤติให้งามประพฤติแล้ง่ายสโลวกสบายก็เป็นสุจริตทุจริตก็คือประพฤติชั่วประพฤติแล้วก็ยากประพฤติแล้วก็ลาบากประพฤติไปแล้วก็จะมีปัญหาก็บรรเทาทุจริตที่เกิดขึ้นภายในจิต ออกมาทางกายทางวาจาเอาได้เอาไว้ได้นี่ก็เป็นเครื่องมือในการช่วยเหลือแล้วก็ได้หลักตามที่ทรงแสดงไว้ในพวกกุศลลมูลนะกะุศลมูลที่ว่ากุศลลมูลกุศละมู ล, ล, ก, ล, มลก็ได้ข้อหนึ่งที่บุคคลให้บังเกิดขึ้นแล้วเนะี่ย กุศลหรือกุศลเราอื่นที่ยังไม่บังเกิดก็จะบังเกิดขึ้นที่เกิดแล้วก็จะเพิ่มพูนมากยิ่งขึ้ น, นอกุศลละโมยยังสอนให้ละกุศลละโมยยังสอนให้ประพฤติปฏิบัติแต่พอพิพจารณาขยายออกไปเนี่ยเห็นว่าไม่ใช่ตนผู้เดียวที่ต้องเป็นอย่างนี้เพราะมันมีคําว่าเอวังธรรมโอเอวังภาวีเอวังนัตติโก ธรรมชาติมันเป็นอย่างนี้แหละสภาวะมันเป็นอย่างนี้แหละไม่มีใครจะล่วงพ้นความเป็นอย่างนี้ไปได้พอถึงจุดหนึ่งก็จะเข้าถึงธรรมดาของสัตว์เช่นสมมุติว่าเป็นสามีพัญญาต้องการจะมีลูกแล้วก็มีลูกกำลังน่ารักจะลูกก็เกิดได้ถ้าไม่ยอมรับว่าความตายเป็นธรรมดาการพลากเป็นธรรมดา จะเกิดทุกขโมนัดเป็นอันเอกันนั้นแต่ประเด็นว่าการได้ลูกตายเนี่ยมันแสดงความจริงซ้อนขึ้นมาว่าชีวิตเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดาคนเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาก็เจ็บไข้แล้วมีความตายเป็นธรรมดาก็ตายแล้วมีการพลาดพลาเป็นธรรมดาก็พลาดพลาดแค่ดูแลเพื่อนต้งมีความแก่เป็นธรรมดาคือตอนลูกตายนั้นมันก็แก่กว่าตอนที่แก่เกิดมา ก็แสดงว่าเด็กตายไปหนึ่งคนเนี่ยมันสอนคติธรรมดาของชีวิตแต่ถามมนทำไมเธออายุน้อยก็เกิดเกิดมาไม่เท่าไหร่ก็ตายไปแล้วนั่นก็คือกรรมกรรมที่เป็นเหตุอายุน้อยมันก็เกิดมาก็อายุต้องน้อยอายุน้อยก็คือกรรมที่เกิดขึ้นจากปานาติบาศเราก็เข้าใจในกระบวนการต่รอไปอีก เพราะฉั้นยางที่บอกว่าธรรมะเนี่ยที่จริงมันเป็นปริยายคือในยะหนึ่งในยะหนึ่งแค่นั้นเองผู้เจ้าทรงยักย้ายเปลี่ยนแปลงไปตามวุธิภาวะของผู้ฟังในขณะนั้นๆเราจึงเรียกว่าอนุโลมเทศนาคือธรรมเทศนาที่แสดงคล้อยตามนวัตตามัธยาศัยพื้นเพจจดิตาอัธยาศัยของผู้ฟัง แล้วก็หลากหลายแตกต่างกันในด้านโมหานคือภาษาที่ใช้สื่อสารแต่ในภาคของการปฏิบัติจริงๆแล้วเนี่ยจะเริ่มจากตรงไหนก็ได้ตรงเนี้ยมันมันจะเป็นทางนําไปสู่มรรคผลนิพพานได้ทุกๆข้อเลยแล้วเมื่อเริ่มต้นที่ข้อใดข้อหนึ่งเนี่ยมันจะดูดข้ออื่นตามไปเองในกระแสของกุศลและธรรม เพราะตรงนี้ยามที่บอกว่าสิ่งที่ทรงสอนในะพิจารณาสี่ข้อแรกเป็นทุกข์กษัตริย์ในข้อที่สองคือกลุ่มที่ข้อที่ห้าคือเรื่องกรรมนั้นเป็นสมุทัยศาสตร์ก็ได้เป็นมรรคศาสตร์ก็ได้โพรากรรมนั้นมันมาจากธรรมะก็มีเป็นกุศ ล, ลกรรมมาจากกิเลสก็มีเป็นอกุศลแกรรมที่จริงมัเป็นอาการนะฮะเป็นอาการของกุศลกับ อ, อกุศล เพราะมีผลมีผลเป็นทุกข์ก็ได้มีผลเป็นสุขก็ได้คนก็มีสิทธิ์เลือกที่จะเดินว่าคุณจะเอาอยัางไงแล้วก็ทําให้เข้าใจในชีวิตของคนอื่นสัตว์ืพอพิจารณาเห็นอยู่บ่อยๆเนี่ยพวกนี้มันก็เป็นอะไรล่ะเป็นสมาร์ทางกระป๋านนะมันมันมันตัวคิดเนี่ยมันตัวคิดเนี่ยช่วงคิดเนี่ยมันเป็นสมารมาทางกระปา๋าน แต่พอเกิดเห็นมันก็เป็นสมมาทิทิเป็นในช่วงที่คิดเองก็มีสัมมาวายามาสัมมาสติสมาสัมมาที่อยู่นะดี๋ยวพอแสดงออกมันก็กลายเป็นสัมมาวาจาสมมากัมมัสมาชีวะมักก็จเจริญก้าวหน้าขึ้นไปโดยำดำาับ แล้วกิเลสประเภทหยาบหยาประเภทกลางประเภทละเอียดก็ลดกระจางคลายลงไปจนถึงก็เป็นพวกสังโยชน์พวกอนุสัยเพราอย่าลืมว่าพวกนี้ในถึงจุดหนึ่งเนี่ยก็เป็นอารมณ์ของสมถะถึงจุดหนึ่งก็เป็นอารมณ์ของวิปัสสนาก็สรุปแล้วก็เป็นเรื่องพุนามรรพที่ตก อ, อยู่ในกฎของไต่ลัก ก็ยกจุกยกจิตขึ้นสู่ใจรักเจริญวิปัสนาพิจารณาเห็นความจริงของศาสตร์สังขารเหล่านั้นแลว้วบรรเทาตัณหามาณทิฏฐิลงไปมีข้อแม่นะฮะคือตัณหามาณทิฏฐินั้นต้องลดลงไปแต่ว่าการจะได้มรรคผลเนี่ยต้องดับได้เพียงแต่ว่าจะดับในช่วงไหนพวกตัณหาเนี่ยก็ดับช่วงพระอนาคามีก็จะได้แล้ว แต่โชมานะก็ต้องไปดับในช่วงของพระอาหารหันต์ช่วงทิฏฐิก็ที่จริงดับได้ในช่วงที่เป็นประโสดาดังนั้นควาหมายความว่าเมื่อดับพวกทิฏฐิผิดทุกสักกายทิฏฐิได้ก็ทําให้บุคคลมันรลุมผลเป็นประโสดาบันไดวานปริยายแห่งธรรมะเหล่านี้จึงถือว่าเป็นปริยายแล้วก็นเน้นย้ําสอนคนให้มองกระจาย กระจายออกไปเรื่อยเจออะไรก็เข้าถึงธรรมดาสิ่งต้องแก่เป็นธรรมดาก็ได้แก่แล้วสิ่งต้องเจ็บเป็นธรรมดาก็เจ็บแล้วสิ่งที่จะต้องตายเป็นธรรมดาก็ตายแล้วสิ่งจะต้องพลาดพลาดจากไปเป็นธรรมดาก็ได้พลาดพลาดแล้สิ่งที่เป็นไปตามกฎของของกรรมก็แสดงออกมาแล้ว ก่อนนั้นก็อาจจะเป็นครูสอนถ้าเป็นเรื่องของคนอื่นถ้าเป็นเรื่องของเราในกรณีที่เป็นธรรมชาติธรรมดาก็เป็นครูที่จะให้ยอมรับความจริงมากยิ่งขึ้นแต่ถ้าเป็นการกระทำความดีละความชั่วประพฤติความดีแล้วมันเกิดผลขึ้นมาในส่วนของความชั่วก็ช่วยให้เกิดสำนึกหลับจำ ที่จะสารวมระวังที่จะงดเว้นที่จะไม่กระทำต่อไปในกรณีของความดีก็จะเกิดสานึกสาเนียกที่จะประพฤติปฏิบัติความดีเหล่านั้นทึบงึ่งงไปปัญหาใหญ่ในกรณีของกรรมนั้นเพ็นตังเจตว่าพอเห็นคนทำดีเนี่ยเราไปริษยาเขเห็นควรคนทำชั่วเราไปวิหิงสาเขาก็เลยไม่ได้เรื่องทั้งสองอย่าง หมายความว่าฝ่ยหนึ่งก็เกิดกิเลสเราเขาทำดีเนี่ยบางทีเราเกิดกิเลสหรือเกิดทุกข์เราเขาทำชั่วเนี่ยเราจะเกิดกิเลสหรือเกิดความสะใจแต่ที่จะเป็นความสุขมันก็ไม่ได้เจริญกุศลหรือละกุศลตามหลักของพระพุทธเจ้าแต่เรื่องทั้งหลายกลายเป็นเรื่องเพิ่มบาเพิ่มมุคุศล ซึ่งไม่ใช่หลักการที่ถูกต้องปละ ก, การแนวแนวหลักจริงๆเนี่ยจะมองอะไรอย่างไรก็ตามสามารถกระตุ้นเตือนเป็นเหตุลดละความชั่วเพิ่มภูมิความดีแก่บุคคลได้แล้วเขาไม่ได้สนใจว่าสิ่งนั้นมันเป็นอะไรก็ช่างมันรอาประโยชน์จากมันได้ก็พอแล้วมีความชัดเจนในขณะนั้นนั้น คนทั่วก็เราจะมองในแง่กรรมก็ได้นะมองในแง่ผลของกรรมก็ได้มองในแง่โทษของกิเลสที่เป็นแล้วก็ทําความชั่วก็ได้แต่ละอย่างเนี่ยมันล้วนเป็นสิ่งที่ควรแก่การหดเว้นทั้งนั้นเรายัางไม่ได้พฤษไม่ได้ประพฤติไม่ได้กระทําเราก็ไม่ถือเอเขาเป็นแบบอย่างหรือว่าเอาเขานั่นแหละ เป็นแบบอย่างในด้านที่อยู่ตรงกันข้ามกับเขาเขาทำแต่เราไม่ทำผมก็เกิดขึ้นตรงกันข้ามกับเขาคือเขามีความทุกข์เราก็มีความสุขเขาทำความชั่วเราก็ทำความดีเขาก็มีความเสื่อมเราก็มีความเจริญเห็นหมแม้แต่ความชั่วของบุคคลอื่นเราก็หาประโยชน์ได้ถ้าคิดเป็นจะฟังเท่าไหร่ แต่รวมมาทยานในวันนี้ขอยุติไว้โดยเวลาเป็นงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความจะเินงอกงามไปบูรณในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี